Book two. Four. At school. We are at school. We are at school. เรากำลังเรียนหนังสือนั่นคือนักเรียนนั่นคือคุณครูนั่นคือชั้นเรียนเรากำลังทำอะไรอยู่ เรากำลังเรียนหนังสือเรากำลังเรียนภาษาเาลังเรียนภาษาอังกฤษฉันเรียนภาษาอังกฤษคุณเรียนภาษาสเปน เขาเรียนภาษาเยอรมัน він в и в ч а є німецьку мову เราเรียนภาษาฝรั่งเศสเราเร м о นภาษาฝร к у мову พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน вивчаєте італійську мову พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Вони вивчають російську мову การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Вивчати мови цікаво เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ Ми хочемо розуміти людей เราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ Ми хочемо спілкуватись з людьми.